สุตายายาสตามัยญาณเนี่ยมีสิบหกงอข้อสุตตามัยญาณนี่กว้างใหญ่ไพศาลในสุตตามยายาัยญาณสิบหกงอข้อนะข้อแรกอภินัยยธรรมคือยาตะปริญญาข้อสองปริ ญ, ญัยธรรมคือตีระณะปริญญาข้อสามปหาตประธรรมคือปหาณะปริญญาข้อสี่สัจชิกาตประธรรมทําให้แจ้งห้าคาเวตประธรรมควรเจริญทีนี้ในบรรดาสิ่งที่ควรเจริญเช่นสมถร ก, กับ ดิปัตสนาถ้าเจริญสมถะจนได้ปฐมไมชานปฐมไมชานบางอย่างอยู่ในฝ่ายแห่งความเสื่อมคนที่ได้ปฐมไมชานแต่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมที่ใกล้ต่อกิเลสกรรมเสื่อมไม่นานเสื่อมแน่เหมือนก็ว่าคนนี้ไม่กินเหล้าหรอกแต่ว่ามีแต่เพื่อนที่เหล้าแล้วก็นั่งอยู่แต่วงว ง, วงเหล้าอย่างเดียวเลยนะอนาคตเขาเจือเหล้าให้ดื่มเค่อยดื่มแน่นะห น, หนักเขาอาจจะติดกับเพื่อนก็ได้เพราะฉะนั้นกเรียกว่าฝ่ายแห่งความเสื่อมต่อไปฝ่ายแห่งความ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 จริงแล้วนะในในหัวข้อสุตตมายยยานทั้งหมดนั้นก็มีความสัมพันธ์กันอยู่โดยโดยอัฏฐะเนี่ยนะทีนี้เมื่อฟังเข้าใจแบบนั้นแล้วเนี่ยนะตั้งแต่ยาตะตีระนาปะหา n ปริญญาควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งเมื่อมีความรอบรู้อย่างนี้แล้วสังวรสังวรคื อ, ต, คอตั้งมั่นไม่ให้บาปเกิดขึ้นได้อันนั้นเป็นสีลามัยยยาน เพราะผู้ที่จะปฏิบัติได้ตามนี้ถ้าทุจริจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเจริญไม่ได้แน่เนี่ยนะเจริญไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นจะต้องเว้นจากทุจริจกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นปัญญาที่สังวรตามที่ฟังมาแล้วชื่อว่าสี ร, รมยาญาณทีนี้ถัสศักแต่ว่าสังวรอย่างเดียวไม่พอเนี่ยนะแค่ห้ามบาปอย่างเดียวไม่พอเพราะว่ากิจของสังวรคือการห้ามบาปสะปะัปะปะปสสการนังเนี่ยนะ การไม่ทําบาปเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อสังวรแล้วก็ต้องทําอบรมภาวนาให้มันเกิดขึ้นทําจิตตภาวนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าสมาธิภาวนามะยะยาณต้องให้กุศลเป็นตระย่างต่อเนื่องต่อเนื่องให้ศีลนั่นแหละแต่เป็นศีลที่เป็นต่อเนื่องยาวขึ้นเช่นอาอนาพิชาอัพยาปาทะที่เป็นศีลเนี่ยนะที่เรียกว่าเจตสิกศีลเนี่ยอานาพิชาอัพยาปาทะ เจริญตัวศีลนั้นให้บ่อยๆมากขึ้นก็จะเป็นสมาธิภาวนามย่ยามเมื่ออบรมสมาธิภาวนามย่ยามให้เป็นอย่างดีก็บอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะรู้เห็นวันนี้เนี่อะไรนี้ปัจจัยกับปัจจยุบัญเริ่มรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นกรรมและผลของกรรมเมื่อรู้เห็นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยนะกรรมนี่แหละเป็นตัวที่สืบต่อให้วัตถุทุกเนี่ย ยาวไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมถามว่ากรรมนี่มาจากไหนก็มาจากกิเลสแล้วกิเลสมาจากไหนก็มาจากวิบากวิบาก ม, มีผลให้ไปอะไรเป็นอะไรต่อไปก็ทำให้เกิดรกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสที่สืบสาว เ, เป็นไปอย่างนี้โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่เมื่อไม่มีที่สุดก็ยอ่อทั้งที่เป็นอักรรมวิบากริเลศโดยเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วมายอ่อรวมเข้าไว้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตานั้นเป็นสัมมสัญาณเนี่ยนะก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตาอันนี้อันนี้เข้าได้่งต่อกับครั้งที่แล้วไม่ใช่มาครั้งที่แล้วฟังแล้วเข้าใจว่าอาทิตย์นี้ทฮ้ยทไมไม่เหมือนกันไม่เยอะเลย ว่าเกิดอะไรขึ้นทดเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าจะให้เห็นความสัมพันธ์ของของยานะทั้งหลายาที่เป็นสุตตามายะยานก่อนเนะสุตตามายะยานเนี่ยอันแรกคืออภินยยะสองปรินยยะสามปหาตัปพ 4. นนะ4น้เอาสิทธิ์สัิกาก่อนสัจิกาตับพระห้ า, า, าพาเวตัปพระ อภิญญายะคือยาตะปริญญาปริญญยญาคือตีระณะปริญญาปหาตัปภาคคือปหานะปริญญาเพราะฉะนั้นการทำปริญญาก็เพื่อต้องการทำให้แจ้งอันนี้ผ่านอยู่แล้วใช่ไหม